50 t languages. Ten. การทาความรู right. Tim, ้จัก Horndi p e c h a n karna. สบายดีไหมคะทว่าดักคีฮอลเหคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะคิตุสิยุโรปตัวไอฮคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะคิดตุสอเมริกาตัวไอฮคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะคิตุเอเชียตัวไอฮ คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะทุสิเเดโฮเทลวชแทเรโฮคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้วคะทุฮาณุเอเธอัยานุกินน่สเมโฮยาเะคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะทุสิเอเธกินเนดินรโเกคุณชอบที่นี่ไหมคะ คตุนูเอรอัก दा ัคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะคิตุเอเธ่้ยามโนอนอาเอมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะคุซีเคเมนมิโนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะอหเมราปตาเฮ เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะคียสีคัลมิเลนวาเล่ฮะคียสีคัลมินวาเลฮขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างมาฟ์กันนะแมเพลลงยีคุจโปรแกรมบันายะฮหลาก่อนค่ะน้ำสการลาก่อนค่ะ แล้วพบกันนะคะเ้าร์มิลางเ